บทที่16ไปเรียนทำปีพาษเห็นเด็กหนุ่ม <trabal> วิ <ology> ่งกลับมาในลักษณะเลือดแดงฉานท่วมมือกรดชิ้นก็วางปืนลงแกกำลังจะแก้ตัวอีกครั้ง หลังจากที่ต้องเสียหน้าไปถึงสองคราเพราะนกร่วงลงมาเพียงครึ่งฟงขณะที่คนเป็นสิทธิ์ทำให้มันตกลงมาทั้งฟงได้ตั้งแต่ยิงนัดแรกเกิดอะไรขึ้นคนถามแทบจะหายเมาไอ้นกบ้านนั่นมันจิกผมทำไงดีครับครูเขาถาม หน้าซีดเมื่อเห็นเลือดออกมามากผิดปกติสงสัยจะถูกเส้นเลือดมาค่าจะห้ามเลือดให้แกใช้นิ้วหัวมแม่มือกดลงไปที่ปากแผลหากเลือดก็ยังไม่ยอมหยุดคนอายุส6กเริ่มกลัวตายและนึกไปถึงเมืองนรกตามที่ยายเคยเล่าไม่ได้การเสียแล้ว ครูชิ้นพูดรู้สึกตกใจไม่แพ้คนเป็นสิทธ์คราวนี้แกหายเมาเป็นปลิดทิ้งหยิบผ้าเข่ามา้าที่ใช้ห่อปืนมาฉีแล้วก็มัดข้อมือเด็กหนุ่มอย่างแน่นหนาเพื่อให้เลือดหยุดไหลซึ่งก็ได้ผลเจ็บไหมวะแกถามคนที่หน้าซีดเซียวเพราะกลัวตายทั้งเจ็บทั้งปวดเลยครับ ไอ้นกเวนเสือกมาจิกกูได้เขาถือโอกาสด่า น, นกเองไปทำอะไรมันเข้าล่ะคนเป็นครูถามตอนที่เด็กหนุ่มวิ่งไล่ตามนกแกกำลังเล็งปลายกระบอกปืนไปยังนกฝูงใหม่ที่พากันบินตรงมายังหนองน้ำจึงไม่เห็นเขาวิ่งไล่ตามนกไปแค่จับมันเองหนุ่มน้อยว่า แต่แรกเขาตั้งใจจะหักขาเพราะเคยทำอยู่บ่อยๆแต่คราวนี้โกรธแค้นนักเมื่อมันจิกมือจึงหักคอมันเสียมันคงกลัวตามสัญชาตญาณของมันสงสัยวันนี้เราเห็นจะต้องกลับกันแล้วข้าจะพาเองไปทำแผลที่ศุกราสลาเกิดเป็นบัทยักตายไปข้าก็จะขาดเพื่อนคู่หู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 สุนักขัดตังสุมังคลังนมน้อยพูดเสียงปกติหวังจะให้ครูชินไปคิดเอาเองว่าวันนี้เริกไม่ดีเพราะทำไม่ดีแต่ครูผู้ใจบาปหยาบช้าคิดลึกซึ้งอย่างนี้ไม่เป็นแกพูดได้เพียงว่าเรื่องของพระกับเรื่องของยายเองไม่ใช่เรื่องของข้าทำแผลที่สุขศาลาเสร็จแล้ว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 ล้านชายกลับมาเมื่อโผลเพลงเห็นหน้าหลานยายก็ร้องทักไอ้โนเอ็งเอาผ้เขามา้ากับเสือไปทิ้งเส็ดที่ไหนแล้วนั่นมือไปโดนอะไรมาถึงจะรักหลานมากกว่ารักของเาว่ายายก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงของก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความเคยชินฝากไว้ที่โรงเรียนครับ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 ผมห่วงยายเขาพยายามที่จะพาออกนอกเครื่องแต่ยายกลับไม่ยอมบอกมาดีๆว่าเองไปทำอะไรมาแล้วก็ห้ามพูดปดบอกมาเดี๋ยวนี้ยายยื่นคำขาดหนุ่มน้อยจึงตอบแบบไม่ต้องโกหกว่านกมันจิกผมครับเองไปทำอะไรมันเข้าละ่ะอย่าพูดนะ ว่าไม่ได้ทำอะไรมันคืออย่างนี้ครับยายเจ้านกตัวนั้นมันถูกยิงร่วงลงมาและผมก็ไปจับมันเลยถูกบัญจิตเข้าให้คนพูดไม่ได้โป้ปดใครมันใจไม้ใส่ระกรรมไปยิงมันเข้าละ่ะ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 ใครที่จำกรรมอะไรไว้ถึงคนอื่นไม่รู้ตัวเขานั่นเองแหละรู้ยายพูดด้วยค่อนข้างแน่ใจว่าตัวการของเรื่องไม่น่าจะเป็นใครอื่นนอกสจากหลานชายของยายเองเพราะหากเป็นคนอื่นหลานชายจะต้องรีบบอกไม่ทันให้ยายต้องถามด้วยซ้ำมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้โทษของคนอื่นมองเห็นง่าย แต่ของตัวเองทำเป็นมองไม่เห็นไม่จริงเสมอไปหรอกยายหลานชายแย้งเพราะไม่เห็นด้วยไม่เช่นั้นคนเขาจะพูดกันหรือว่าว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วคนที่เขาทำชั่วไม่ต้องรอรับผลมันก็มีถมเทปไปยายจะให้ผมยกตัวอย่างไหมที่ตำบลบางม่วงหมู่ นี่ก็มีนั่นเพราะเขายังกินบุญเก่าอยู่น่ะสิแต่เชื่อยายเธอเมื่อไรที่บุญเก่าของเขาหมดเขาจะต้องรับผลของกรรมที่ทำยายจำได้นะไอ้หนูสมภารวัดสัทธาพิรมท่านเทศให้ฟังบ่อยๆท่านวัดสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็เคยตรัสเรื่องนี้แก่ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี พระองค์ตรัสว่าดูก่อขคฤหบดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปของเขาผลิผลเมื่อนั้นเขาย่อมจะเห็นบาปนั้นว่าชั่วแท้ๆฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีกว่าชั่ว ตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาผลผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้เหมือนคนที่ยิงนกตกลงมาเขาก็คิดว่ากรรมชั่วนั้นดีต่อเมื่อถูกนกมันจิกเอาจึงได้รู้ว่ากรรมชั่วนั้นชั่วแท้ๆยายอ้างพุทธพจน์แถมยกตัวอย่างประกอบ ล้านชายฟังแล้วแทบจะหายหิวจึงแกล้งชมว่าแม่ยายผมเนี่ยจำเก่งจริงๆขนาดพระพุทธองค์ตรัสไว้ทั้งสองพอกว่าปีมาแล้วยายยังจำได้เขาเรียกว่าคนแก่เจ้าปัญญายายพูดพร้อมกับยืดอกคนรุ่นยายเนี่ยความจำดีนะครับ สมภารวัดสัทถาพิรมก็เหมือนกันท่านเทศท่านสามารถหยิบยกอะไรต่อมิอะไรมาให้ญาติโยมฟังข้างฝ่าย ญ, ญาติโยมก็ช่างจำบางคนอ่านหนังสือไม่ออกแต่ความจำดีเหลือเกินท่านพูดอะไรจดจำได้หมดทุกคำเลยแถมบางครั้งจำได้เกินที่ท่านพูดซิอีกหนุ่มน้อยพูดแขะคนอายุแปสี่ นั่นสิส่วนคนที่อ่านออกเขียนได้กลับจำไม่ได้ทั้งจำไม่ได้และทำไม่ได้ท่านเทศให้ฟังก็เลยเหมือนท่านเป่าปีใส่หูควายไม่เกิดประโยชน์เมื่อหลานแขกมายายจึงแขกไปบ้างแกงในหม้อเดือดจนน้ำล้นออกมาข้างนอกยายจึงเปิดฝาเอาทัพีคนแล้วก็ตักขึ้นชิม ได้รสเปรียปร้ยวๆเค็มๆพอดีแล้วก็ยกลงแกงอะไรจะหนะายายหอมจังผมชักน้ำลายไหลแล้วสิแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาหมอยายตอบปลาตายอีกตามเคยเฮ้ออยู่กับยายเนี่ยกินปลาตายตลอดชาติเขาบน่นปลาไม่ตายมันจะยอมให้เอ็งกินหรือยายย้อน ผมหมายถึงว่าปลามันไม่สดน่ะยายรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแต่ก็แกล้งยั่วผมและเอ็งไม่ได้ยั่วยายว่างั้นเถอะเอาละเอาละยายอยากจะว่าอะไรผมก็ว่าไปผมจะกินข้าวแล้วเขาหยิบชามกาไก่ขึ้นมาตักแกงเดี๋ยวก่อนยังกินไม่ได้ ต้องแบ่งไว้ใส่บาทพรุ่งนี้ก่อนยายห้ามแล้วก็หยิบหม้อดินใบย่อมมาแบ่งแกงส้มสำหรับไว้ถวายพระผมเกลียบพระจังเลยยายรู้สึกว่าท่านจะเอาเปรียบชาวบ้านมากไปหน่อยกินก็กินก่อนแถมคนยังเลือกของดีๆไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักผลไม้เมื่อถึงฤดูที่ออกใหม่ ต้องแบ่งไว้ถวายพระก่อนคนถึงจะได้กินผมละเกลียดพระใช่จริงๆเขายา้ำคนโบราณสอนว่าเกลียดขี้ขี้ตามเองเกลียดพระต่อไปเองก็ต้องไปเป็นพระยายว่าจ้างผมก็ไม่เป็นผมจะบวชสักหนึ่งพรรษาก็พอเป็นธรรมเนียมแล้วก็จะศึกมามีเมียหนุ่มน้อยว่าพราง ช่วยยายจัดสำรับกับข้าวก็ไหนเอ็งบอกว่าจะให้สำเร็จฌานอย่างหลวงพ่อช้างแค่ภรษาเดียวจะสำเร็จได้ยังไงหลวงพ่อท่านบวชตั้งแต่เด็กเด็กบวชพระได้หรือยายหนุ่มน้อยยั่วก็บวชเป็นเนนก่อนสิพออายุครบยี่สิก็บวชพระยายตอบและยกสำรับไปที่ระเบียง ล้านชายช่วยอะไรไม่ได้มากนักเพราะเหลือมือข้างเดียวที่ใช้งานได้ยายทำไมปลาหมอเนื้อหวานจังยังกับเอาปลาเป็นๆมาแกงเนี่ยล้านชายถามขึ้นเพราะรสชาติของปลาอร่อยกว่าทุกครั้ง ที่ยายแกงพี่สาวเองเขาเอามาให้ขอดเกร็ดมาเ็จสับ ร, รวมทั้งผักบุ้งด้วยเองก็เลยได้กินปลาสดสมใจยังไงล่ะยายบอกอย่างไม่ยินดียินร้ายและแบบนี้ยายบาปไหมครับเขากังขาบาปถ้ายายรู้เห็นเป็นใจด้วยแต่นี่ยายไม่รู้แล้วก็ไม่ได้บอกให้เขาเอามาให้ เขาเอามาเองงั้นผมก็ไม่บาปเหมือนกันแม้ดีใจจริงๆที่นานๆจะได้ลาบปากเองบาปแล้วไอ้หนูเองยินดีที่ได้กินเนื้อเขาแค่นี้ก็บาปแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือเองแต่เมื่อใจยินดีก็ถือว่าเองพอใจในอกุศลกรรมถึงไม่ได้กายทุจริตก็เป็นมโนทุจริตอ้าว แล้จะให้ผมทำยังไงถึงจะไม่บาปล่ะครับเองก็กินด้วยความวางเฉยสิคือไม่ยินดียินร้ายมียังไงก็กินอย่างนั้นแบบนี้ถึงจะไม่บาปยายถือโอกาสอบรมสั่งสอนอาหารที่ว่าอร่อยนั้นแทบจะหมดรสชาติเมื่อต้องกินข้าวเค้ากับเสียงเทศเมื่อหมดจานแรกแล้วนุมวัยสิบหก จึงไม่เติมข้าวอีกอิ่มแล้วหรือไหนว่าหิวยายท้วงผมกลัวบาปมากขึ้นนะครับเขาแซงว่าแล้วจึงเก็บจานข้าวเข้าไปไว้ในครัวเห็นหลานอิ่มยายก็พลอยกินไม่ลงจึงเก็บสำรับกับข้าวยกเข้าไปให้เขาล้าง จากนั้นจึงลงไปปลูกกระชายต่อที่สวนหลังบ้านล้างถ้วยจานเสร็จหนุ่มน้อยจึงตามลงไปเขาช่วยอะไรา ย, ยายไม่ได้มากนะักเพราะมือข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ตอนล้างชามก็ทำได้ความยากลำบากยายใช้เสียมขุดดินลึกลงไปประมาณสองนิ้วแล้วนำหน่อกระชายลงไปปักกลบดินพอหลุมหลวม ยายปลูกเสร็จไปแปลงหนึ่งแล้วคิดว่าแปลงนี้จะให้เองช่วยก็พอดีมามือเจ็บเสียก่อนนี่ข้าวสารก็ใกล้จะหมดกระสอบแล้วลำพังยายคนเดียวคงทำไม่ไหวเห็นจะต้องไปขอแรงพวกพี่ๆเองมาช่วยสักวันยายพูดเหมือนบ่นหนุ่มน้อยเพิ่งจะสำเนียกว่าความคึกขนองของตนมีผลกระทบมาถึงยายคนอายุเกือบเกือบก้าสิบ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 ข่อคุณยายให้ศีลให้พรเจริญอยู่แล้วล่ะครับยายก็ผมชื่อจเจริญความหมายเดียวกับจำเริญ น, นั่นแหละหนุ่มน้อยบอกยายเวลาคนเท่าคนแก่ให้ศีลให้พรเองต้องยกมือขึ้นสาธุถึงจะถูกไม่ใช่มาต่อลาะต่อเถียงแบบนี้ยายเปลี่ยนไปให้พร อ, อีกแบบหนึง่ง ก็มือผมเจ็บหลานชายแก้ตัวเมื่อก่อนที่มือเองไม่เจ็บยายก็ไม่เห็นเองทำอย่ามาอ้างหน่อยเลยยายรู้เท่าออทันหรอกนะคราวนี้หลานชายไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบว่าไรหลังจากไหว้พระสวดมนต์เส ร, เรียบร้อยแล้วยายก็เข้านอนหลานชายทำหน้าที่นวดตามปกติเช่นทุกคืน จะผิดปกติไปบ้างก็ตรงที่คืนนี้เขานวดด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างกําลังป่วยวันนี้เองไม่ได้ไปเรียนทำปีพาสน่ะสิยายถามทำปีพาสของยายหมายถึงไปเล่นดนตรีไทยไม่ได้ไปครับครูสมใจบอกว่าวิมืออย่างผมออกงานได้แล้วเดือนหน้าบ้านเหนือเขาจะแต่งงาน ครูจะให้ผมไปทำปิพาดเป็นงานแรกได้เงินด้วยนะยายหนุ่มน้อยอวดดีอย่าไปทำให้เขาวงแตกเสียก็แล้วกันยายเป็นห่วงรับรองมือชั้นนี้แล้วแต่ว่าไอ้มือที่ป่วยอยู่เนี่ยจะหายทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่หายก็เสร็จกันคนพูดออกวิตกอยากหายเร็วๆไหมล่ะ ยายจะบอกเคล็ดลับให้ทำยังไงครับถามอย่างสนใจก่อนนอนให้ว่าพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ขออโหสิกรรมเจ้านกตัวที่จิกเองว่าถ้าเคยมีเวณมีกรรมต่อกันมาก็ขอให้อโหสิกรรมกันเสียแล้วจึงแผ่เมตตาให้เขาถ้าเองทำได้รับรองว่าแผลหายวันหายคืนเชละตกลง ผมจะเริ่มคืนนี้เลยยายหายเมื่อยหรือยังครับยังแต่เอาเถอะเองจะไปสวดมนต์ก่อไปอย่าลืมทำตามขั้นตอนที่ยายบอกก็แล้วกันสวดมนต์ขออโหสิกรรมและจึงแผ่เมตตายายทบทวนให้อีกครั้งครับจงได้แล้วเขากราบที่เท้ายายด้วยมือข้างที่ไม่ได้ป่วยช่วงที่มือเจ็บ ไม่ต้องไปขายของที่บางขามก็ได้ยายบอกครับหนุ่มน้อยรับคำแล้วจึงลุกออกไปยังห้องนอนของตน